โอ้ oh. I'm o t h e o o s l o อยากให้รักกันดีกัน เดินสิสิบล้ ข้าพรเจ้าจงปราศจากทุกข์อหังอาเวโรมีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากเวรอหังอาปยาปะโจมีขอให้ข้าพรเจ้าจงปราศจากความลำบาก นางอนิโคโหมีขอให้ข้าพปเจ้าจงปราจะจากอุปัสสากสุขีอาตานังบริหารามีรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเถอนสัพพิสัตตา สาททั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บใจทั้งหมดทั้งสินนาเวราฮนตก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและการเหนื่ยอาบยาปชาฮนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลนอยอานิฆาฮนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดมีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสูขิหาตา낭ปารีปันตัวโงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทางสิ้นเถิด กลับฝากของกันตัวอารมณ์เรากลาับก็วันนี้เป็นช่วงเย็นวันสุดท้ายของสำหรับการดูทีทเพราะพรุ่งนี้เย็นเราอาจจะต้องเดินทางกลับเพราะนั้นก็เลยได้จัดจเก็บอารมณ์สำหรับชุดแรกไปนนแต่ เมื่อวานก่อนเมื่อวานนะวันนี้ก็ทางกลุ่มที่สองได้ทีสามได้เก็บอารมณ์ไปส่วนครึ่งหนึ่งแล้นะพวพรุ่งนี้ก็ได้เก็บต่ออีกวันหนึ่งแต่อย่างนึงจากว่าเรามาใช้สถานที่นี้เราจะต้องรู้จักกิจกรรมของที่นี่ด้วยนะเพื่อเราจะได้ประสานเชื่อมต่อกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ทังด้านทานั้งในส่วนที่เป็นเหตุผลและส่วนที่เป็นอารมณ์ซึ่งใช้ตลอเวลานะในส่วนที่เราปรงสังขาร น, นี่ก็เป็นอารมณ์ธรรมสังเวทและช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเหตุผลทางธรรมกถาเมื่อกี้เราปรองธรรมสังเวทต่อไปแล้วก็จะปรงธรรมกถานะซึ่งไม่ชี้เราเรไพร์ะจะมา ได้กล่าวในส่วนที่เสริมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้สติตามหลักของทฤษฎีวิชาการที่ท่านจะนำมาเสนอซึ่งก่อนที่วิชีจะได้นำเสนอจุดนี้จะได้ขอเชิญยมไก่ได้กล่าวแนะนำวิทยกรเพื่อพวกเราหลายท่านยังไม่รู้จักในชื่อะยมไก่นะหลังจากนั้นนะ พักแล้วพักตอนไอ้ทำ่าทำโปรงสังขารถือว่าเป็นเออไม่ปีปัญหาเลยทีย น, นี้พร้อมเลยเดี๋ยวห้องน้ำก็จะทยอยกันไปตามอาการนั้นควรเขาเชิญทั้งหน้าเลยนะไมเชิญทั้งหน้าเดี๋ยวพระเราจะนั่งขงบวนเขเชิญทุกนกในช่วงที่เรา